ครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงลักษณะนะ ล, ลักษณะกิจและก็อาการที่ปรากฏเรียกว่าปัจจุปทานซึ่งทุกมีการเบียดเบียนเป็นลักษณะก็ขันท่านะขันทามก็มีความเบียดเบียนเป็นลักษณะอยู่แล้วละ่ะบางแห่งใช้คําว่าผู้ฆ่าเลยฆนะ่ากันเองก็คือเบียดเบียนมีความให้เร่าร้อนเป็นกิจ นะก็ขันห่าเป็นของร้อนอยู่แล้วมีปวัติคือความเป็นไปเป็นอาการปรากฏก็คือความเป็นไปในวัตตที่ไม่มีว่างเว้นนะนะเป็นการสืบเนื่องในวัตตส่วนสมุทัยคือตัญหามีความก่อให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะก็คือก่อทุกข์ให้เกิดอันภารกิจหรือหน้าที่ของตัญหาก็คือก่อวัตตะ สร้างวะตะัตถะมีอันทําให้ไม่ขาดสายเป็นกิจก็คือจากทุกหนึ่งสู่ทุกหนึ่งจากทุกหนึ่งสู่ทุกหนึ่งอันมันทาให้ไม่ขาดสายให้สังสารทุกข์เป็นไปได้ตลอดให้สังสารทุกข์เป็นไปได้ยาวสําหรับผู้ที่ไม่มีความภาคเพียนจะปฏิบัติเพื่อกําจัดฉันทราคะนี่ก็อย่าคิดว่าจะมีคาว่าจบว่าสิ้น เพราะว่าตันหาเนี่ยมันทําให้เป็นไปสืบเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยนะก็คือไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั่นเองทางผู้ศาสนาของเราเนี่ยนะถือว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยการละตันหาแต่ถ้าผู้ใดที่คิดลักษณะส่งเสริมปล่อยให้ตันหาเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยนะอะรที่จะจบจะสิ้นนี่ไม่ใช่ฐานะ เพราะว่ากิจหรือหน้าที่ของตันหาก็คือทำให้สังสารทุกเนี่ยเป็นไปได้อย่างยืดยาวแล้วก็มีปริโภทเป็นตัจจุปทานอาการที่ปรากฏของสมุทัยก็คือห่วงใยอ่ะนะห่วงใยติดข้องนั่นแหละส่วนพระนิพพานที่ตรงกันข้ามกับทุกกะสมู ท, ทยัยอั น, นั้นมีความสงบเป็นลักษณะ ลักษณะของเขามาดูลักษณะของทุกเบียดเบียนใช่ไหมลักษณะของสมุทัยก่อให้เกิดส่วนนิโรดนั้นมีลักษณะที่สงบจากสภาพดังที่กล่าวไปสงบจากความเบียดเบียนสงบจากการก่อให้เกิดขึ้นมีการไม่จุติเป็นกิจเพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่ตายพระนิพพานนั้นไม่ตายก็เพราะว่าพระนิพพานไม่เกิดนะเนีเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายงนั้น กิจของพระนิพพานก็คือไม่จุติส่วนอาการที่ปรากฏก็คือไม่มีนิมิตไม่มีสังขารนิมิตทั้งปวงไม่มีนิมิตคือรูปนามขันธ์ห้าเพราะว่าพระนิพพานนั้นสงบจากสังคตะธรรมทุกชนิดนิมิตทั้งหลายเป็นเชื่อของสังคตะธรรมพระนิพพานนั้นไม่มีสังคตะธรรมจึงไม่มีนิมิตเลยนะ มันไม่มีนิมิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่มีนิมิตคือบัญญัติเป็นต้นนีนะท่านผู้ที่ตรัสรู้ถึงสภาพแห่งพระนิพพานที่มีลักษณะสงบมีกิจไม่จุติมีความไม่มีนิมิตเป็นอาการที่ปรากฏเนี่ยนะผู้นั้นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนี่ยน ะ, นะส่วนอย่างอื่นก็ไม่ใช่สุขที่แท้จริงอะไร หรืสาตว์ทั้งหลายเนี่ยคุ้นเคยกับสุขที่มีนิมิตใช่ไหมเลยไม่มีนิมิตนี้สุขยังไงนี่ยนะซึ่งรู้จักโทษภัยของนิมิตน้อยไปเนี่ยนะเมื่อจิตไม่เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของสังขาร น, นิมิตทั้งหลายจิตจะไม่น้อมไปในสภาพที่ไม่มีนิมิตเนี่ยนะนึกไม่ออกเหมือนกับว่าคนที่ชอบชอบออกงานสังคมเนี่ยนะไออยู่นิ่งๆเอ็มสนุกยังไงไม่เห็นดีอะไรเลยนะ อยู่เงียบๆสงบสงบเนี่ยนะนึกไม่อกมอกว่ามันดียังไงเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าชอบสังสรรตลอดเวลาเนี่ยนะจู่บ้านคนเดียวเงียบๆวันอย่างเหงาตายเลยกลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจคำว่านิพานยากมากนะเพราะว่ามีความสุขกับความวุ่นวายเพราะนะีคนที่จะแทงตลอดพระนิพานได้เนะนี่ยนะเนี่ยคำมัทธยาสัยต้องสูงมากที่สูงก็เพราะว่าเห็นไัยของสังขารทั้งมวล ที่จริงสัตว์ทั้งหลายเนี่ย น, นี่วนเวียนอยู่ในวตะเนี่ยมันอยู่ด้วยสภาพของสัตว์ในอบายมากกว่าในสุขติเมื่ออยู่ในอบายมากกว่าสุขติเนี่ยที่จะเห็นภัยของขันห้ามันจึงไม่มีมันมีแต่ความหอยหิวขันห้าเป็นกลุ่มที่หิวมหาพูดตลอดกระหายในมหาพูดสแสวงหามหาพูดไม่เคยคิดที่จะออกจากมหาพูดเลยเห็นไนะ ไม่ไม่มีอัธยาศัยเลยมันเหมือนกับว่าชวนให้แค่ถือศีลแปดเนี่ยมันยากนะแค่คนทั่วไปส่วนหนึ่งก็อดข้าวเย็นอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้ทำไมมันจะยากเย็นปากนั้นคือมันหอยหิวมหาพูดตลอดมันขาดมหาพูดไม่ได้อ่ะเนไหมมันเป็นเอามากขนาดนั้นนะมันติดมันคล่องมันมันขนาดศีลแค่ชั้นล่างๆมันยังทําไม่ได้เลยนะจะกล่าวไปยายถึงคุณชั้นสูงชั้นสูงไปเห็นไหมมันมันติดหนับจริงๆเลย ติดในมหาพูดเนี่ยนะฉนั้นเมื่อสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัตะแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมคือไม่เคยรู้ทุกโทษภัยของขันทั้งหลายนั้งก็สแสวงหาแต่ขันตลอดต้องการแต่ขันตลอดอดอยากหิวโหยในเรื่องขันเนี่ยน ะ, สะแสวงหาอยู่นั่นแหละพอไม่เห็นคุณของความสงบ ไม่เห็นคุณของการไม่จุติไม่เห็นคุณของการที่ไม่มีนิมิตเนี่ยนะซึ่งพระนิพพานไม่มีนิมิตคิดไหมว่าเขาจะออกจิตที่น้อมออกก็ไม่มีใช่ไหมพ่านเขาจึงไม่เจริญสิกขาอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติของเขาคือถ้าเขาไม่เห็นคุณของพระนิพพานเนี่ยนะที่มีความสงบมีการไม่จุติไม่มีนิมิตเครื่องไม้ของขันห้าเนี่ย เขาก็ไม่จะไม่คิดจะออกเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นนิยานิกะพราฉะนั้นลักษณะของมรรคคือนําออกมีลักษณะนําออกจากทุกขนําออกจากสมุทยัยนําไปสู่ความสงบเนี่ยนะนำไปสู่การไม่จุตินําไปสู่การไม่มีนิมิตพราะฉนั้นพระน อ, อริยมรรคนีลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นคือนําออกอย่างเดียวท่านสัตว์ทั้งหลายเนี่ถ้าพูดถึงนําออกปั๊บเนี่ยไม่ไม่เอาเพราะว่าจะอยู่พฉัน ผู้ที่เจริญไตรสิกขาในโลกยึงมีน้อยนักนนเพราะว่าไม่ได้คิดจะออกอะไรอันศาสนาถ้าเผยแร่ในหมู่ชนที่เขาไม่คิดจะออกเนี่ยนะศาสนาไม่มีประโยชน์สาหรับเขาไตรสิกขาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงศีลสมาธิปัญญา น, นะซึ่งเป็นคำสอนที่นำออกจากทุกนาออกจากตันหาเนี่ยเขาฟังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร เหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนที่เวลาออกรถจะไปออกจากบ้านใช่ไหมมันมีแต่จะไปอย่างเดียวแล้วที่จะไปนี่ไปทางไกลามากเลยนะแล้วคนมีคนมาบอกว่ากลับเถอะเอาไหม <c oughs> โอ้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยนะะเพราะไอ้โครงการที่จะไปเนี่เป็นสิ่งที่ใหญ่มากนะกลับเถอะเนี่ยนะันลักษณะคนที่ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยก็คื อ, คอพวกที่กลับจาก ว, ต, าวตะเอ่อวตะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่ย้อนกลับบอกไม่เอาแล้ววัตตะ นนคนที่นี้จะต้องรู้จักว่ามีทุกอะไรบ้างในวัตะเนี่ยนะจะต้องมันสรุปความทุกที่มีอยู่ในวัตะนี้ให้มากๆกันนะช่างเลยว่าเอออยู่ในวัตะมีภัยอะไรบ้างการเจริญวิปัสสนานั่นแหละเขาเรียกว่าตามดูพิษภัยของวัตะถ้าตามเห็นพิษภัยของวัตะได้มากขนาดไหนคนนั้นจะออกมากขนาดนั้นแต่ถ้าทุกอย่างมันสุโ ข, ขสมมสรดีหมด พ่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพูดอริยศัพท์ไม่รู้เรื่องตันยินทรีย์ไม่แกล้าเนี่ยนะมกษัตริย์นี้พูดยังไงก็ไม่เข้าใจอ่ะนะแต่ในขณะเดียวกันก็นี่แหละชวนเข้าปรารถนาพระนิพพานไปก่อนนยนะดีนะออกเธอเนี่ยนะถึงตอนนี้ยังออกไม่ได้ก็ตั้งความปรารถนาเธอว่าสักวันหนึ่งจะต้องออกอ่ะนะคงไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปมั้งเนี่ยนะก็เหมือนกับหลายๆคนใช่ไหมกำลังประกอบธุรกิจนี่เขาบอกเขาไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกกาลังกังน ก็คือแต่ตอนนี้ออกไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาจะไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปให้มันมีอย่างนี้บ้างก็ยังดีนะก็แสดงว่ามีเขาบ้างแต่ถ้าไม่มีในความคิดเลยเนี่ยนะศึกษาอย่างประวัติของผู้นำบางคนเนี่ยนะเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ไม่ได้คิดจะออกอะไรจริงนะะก็บอกว่าจะขอออ ก, กเกษียณตอนแปดสิบโหนี่เจ็ดสิบเลยนะ บอกว่าจะเลิกจะวางมือจริงๆก็คงสักอายุแปดสิบเข้าอะไรมารับรองว่าเขาจะอยู่ได้ตั้งอายุแปดสิบเนี่ยนะอ้โ uh huh. แล้วแปดสิบนี่ก็งอมพระรามเนี่ยนะนะออกงานมากมายขนาดนั้นนะนะทังพวกนี้จะไม่ไม่คิดที่จะเจริญกุศลธรรมประเภทนําออกจากทุกอะไรนะเพราะเขาเขาไม่รู้ชีวิตจริงๆเลยนะว่าชีวิตมันเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้เลย รู้แต่ว่าบริโภคปัญจรมเท่านั้นเองรู้บริโภคทวารตาเนี่ยนะสแสวงหาสีมาเพื่อให้ตาเห็นสแสวงหาเสียงเพื่อให้หูได้ยินเนี่ยนะสแสวงหากลิ่นเพื่อรับสแสวงหารสแสวงหาโพธภะเนี่ยนะจิตใจก็ครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นผู้การมัตยาศัยโดยบริบูรณ์เต็มขั้นเป็นกลุ่มการมัตยาศัยเต็มขั้น ท่านกลุ่มที่หมกมุ่นในมหาพูดเสาะสแสวงหามหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะคนนี้ไม่คิดจะออกเมื่อไม่คิดจะออกเนี่ยนะไอการสอนไตรเสกคาให้กับเขาเนี่ยมันจึงไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะเลยที่จะสอนไตรเสกคาให้เขาที่จะสอนศีลสอนสมาธิสอนปัญญาเขา้าเขาไม่เห็นอย่างเช่นถ้าเขาไม่เห็นภายในอบายนะเราจะไปสอนเรื่องศีลว่ายังไง ศีลธรรมกลายเป็นสิ่งที่ล้อเลียนกันเล่นแล้วตอนนี้เพราะเขาไม่เห็นภายในอบายอะไรก็ไม่ได้เห็นภายในว่าเอยไปเกิดเป็นไก่แล้วมาขันอย่างนี้มันเสียหายตรงไหนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายอ่ะนะถ้าตกนรกแล้วมันเป็นยังไงเขาก็ไม่สนใจอ่ะนะก็ไม่มีในความคิดของเขาเลยอ่ะจริงๆแล้วคนชนิดนี้ไม่ใช่น้อยด้วยนะมีมากจริงๆ มากจนว่าศาสนา ง, งอกเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่คิดจะออกอ่เพราะเขาไม่คิดจะออกจากอบายเนี่ยไม่รู้จะสอนศีลว่ายังไงสอนให้เขารักษาศีลได้ยังไงจึงทําไม่ได้แล้วเขาไม่เคยเห็นโทษภัยของวัตถุกรรมเนี่ยนะจะสอนให้เขาออกจากวัตถุกรรมที่เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดพรหมโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะ เขาติดข้องในในวัตถุกรรมเนี่ยนะต้องการบริโภควัตถุกรรมอย่างเต็มที่เลยแหละแล้วเขาไม่เห็นโทษภัยในวัตตะสามเนี่ยนะวัตตะที่เป็นไปในภูมิสามเนี่ยนะนั้นนิยานิกรรมการเจริญธรรมเพื่อออกจากวัตตะนี่จึงไม่มีสำหรับสัตว์ทั้งหลายนั้นาศาสนาเสืิมเนี่ยเพราะอันนี้ก็อย่างที่กล่าวว่าถ้าใครคิดจะเผยแพร่พระาศาสนาเนี่ยนะ ดูว่ากาลังเผยแพร่คือพาเขานำออกจากวัตตะในภูมิสามเนี่ยก็คิดให้ดีว่าชวนเข้าออกได้ยังไงชวนออกจากวัตตะในภูมิสามเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเวลาชักชวนคนศึกษาพระธรรมแล้วมันยากเราไม่ต้องแปลกใจรอกอนะไม่ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆหมูสัตว์นั้นมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรนะเขายินดีในอะไรจริงๆ แต่ต่อเมื่อว่าไอสิ่งที่เข้ามันอะไรมันเสียหายนั่นแหละเริ่มและวเขาแก้ปัญหายังไงดูไหมฆ่าตัวตายเลยหมดเรื่องหมเราเออพอพอวัตถุการมมันทับผมมันเล่นงานเต็มที่เลยใช่ไหมมันประดังประเดเข้ามานะเขามีวิธีคิดของเขาก็คือนึกว่าตายแล้วจบนั่นแหละก็ไอการที่จะเจริญไตรสิกขาเพื่อนําออกจึงไม่มีงั้นคําสอนของผู้ที่ ปฏิบัติในอารยมรรคนั้นเร่งเสียงให้หน่อยมันเสียงค่อยกระทวนสําสหรับผู้ที่จะเจริญหรือจะปฏิบัติตามอารยมรรคนั้นคนนั้นต้องโดยพื้นฐานต้องเห็นภัยของของวัตตะฉั้นคนที่จะเจริญนิพพานเนี่ยนะศีลกับสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเบื้องต้น เป็นเบื้องต้นถ้าเบื้องต้นศีลธรรมเขาไม่ดีนะสอนอริยมรรคเขาได้ยังไงสอนสัมมาทิฐิเนี่ยนะให้เห็นอริยสัจก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้วถ้าเอาในลักษณะนี้มาเปรียบนะสิ่งที่เราเรียกว่าการเจริญไตรสิกขาบําเพ็ญไตรสิกขานะเนี่ยมันอยู่ข้อนี้คือนิยานิกระทธรรมธรรมที่นําออกจากทุกข์อั้นผู้ที่โดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่มีอัธยาศัยในการสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยนะ เราจะต้องรู้ว่าเราสงเคราะห์เข้าในส่วนนี้นะส่วนที่เป็นตัวนําออกทุกข์สัตว์เขาก็มีเต็มอยู่แล้วของเขาอ่ะนะสมุทัยเขาก็ไม่ขาดตกบกพร่องพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติที่สงบประนับท่าน้าช่วยเขาก็คือช่วยให้เขานําออกจากอันนะนำเข้าออกจากทุกข์นำไตรสิกขาให้เขาเจริญอ่ะนะนําศีลเพื่อให้เขาออกจากอาบายนําสมถะทั้งหลายให้เขาออกจาก การมาพบนำวิปัสนาคือการแทงตลอดอริยศัสตร์โดยที่มีศีลกับสมถะเป็นบาทแทงเจอเรมวิปัสนาอันนั้นแหละเรียกว่านำออกจากวัตะในภูมิสามนั้นอริยมรรคนั้นมีลักษณะคือนำออกจากทุกเนี่นยนะงั้นถ้าของเราทั้งหลายพูดถึงการเจริญไตรสิกขาแล้วก็มาถามเราว่าเรามีกุศลธรรมที่นำออกจากทุกได้ขนาดไหนเนี่ยนะ อันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องเจริญด้วยด้วยตัวของเราเองเลยนะการศึกษาพระธรรมคำสอนก็เพียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จ ะ, ะปลดตัวเองออกจากวะตะัตตนนี่นะมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราช่วยใครไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านะตรัสคือช่วยไม่ได้ในฐานะว่าปฏิบัติแทนใครได้บ้าง น, นะนง ช่วยในการปฏิบัติแทนกันเนี่ยทำไม่ได้ก็ช่วยได้แต่เฉพาะการแนะนำนี่นะวิธีการเท่านั้นเองแต่ยิ่งผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นด้วยแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเอาของเราศึกษาธรรมะอย่างนี้เราจะทำยังไงก่ายๆอ่ะทำไงคุณปัญชูทำไ ง, ำไงดีใครเก่งนะช่วยบอกวิธีหน่อยนะ เนี่ยนะช่วยเขานำออกจากเนี้ยทำไงแล้วก็เห็นเลยนะว่าคำสอนของภาษาศาสนาเนี่ยจึงไม่ยั่งยืนจริงๆเรื่ว่นนับวันแต่จะเสื่อมถอยลงไปเสื่อมถอยลงไปผมนึกถึงตอนที่ผมไปไปเรียงรุ่นนั่งอยู่ในถ้มกลางที่เขา ไม่ได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏตะอะไรเลยนี่นะก็หนักนั่นไปในเรื่องของกามทั้งหลายนี่ไม่มีเขาไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยที่จะทำให้เราพอที่จะแสกไปได้บ้างไม่มีเลยไม่มีจริงๆครับแล้วอัธยาศัยวัฏตะโลกหนึ่งเลยอีก เ, เป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับที่มันสุดๆอีกโลกหนึ่งเลยนึกไม่ออกเลยครับเข้าเข้าเข้า คิดไม่ออกจริงๆะเนเรานึกไม่ออกเลยว่าเราจะจะจะจะส่งข้อเข้ายังไงนะไม่มีเขาเลยก็ในยกนี้เป็นยกที่เรียกว่าพระศาสนาเฮือกสุดท้ายก็ไม่ผิดนั่นแหละเป็นก็หลังคือจอเนี้ยมันระบบการศึกษาก็พัฒนาจนถึงขีดถึงความเจริญถึงที่สุดนี่แหละก็หลังจากนี้ไปก็เหลือแต่รอวัน อันตรธานอันตรธานที่จะเจริญงอกเงยขึ้นนี่คงคงยากเพราะไตรสิกขาเนี่ยนะผู้ที่มีไตรสิกขาจริงๆเนี่ยหายากผู้ที่มีศีลก็หายากใช่ไหมผู้ที่มีศีลและสิกขาเนี่ยหายากผู้ที่อบรมจิตตสิกขาเนี่ยนะก็หายากผู้ที่อบรมปัญญาสิกขาก็ากหายากเนี่ยนะนะก็ในบรรดาผู้ที่ยากยากทั้งหลายก็ขอให้มีเราสักคนหนึ่งเธ อ, อะเนาะ ทบทวนสรุปว่าอริยมรรคเน้นำออกนะนออกจากวะตะในภูมิสามแล้วก็มีการประหารกิเลสเป็นกิจนั้นใครที่มีมรรคมาก ๆ, ๆ, ๆก็คือคนนั้นอ่ะประหารกิเลสใช่ไหมประหารราคะาประหารโทสะประหารโมหะนั่นะคิดยังไงจึงจะละโมหะคิดยังไงจึงจะละโทสะคิดยังไงจึงจะล ะ, โ, ะ, งงละโลภะนั่นแหละคือมรรค นนะตัวกุศลธรรมที่เป็นตัวประหารราคะโทสะและโมหะนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวอริยมรรคเนี่ย น, นะนั้นการปฏิบัติในพระาศาสนาของเรานั้นถือการกําจัดกิเลสเป็นเป็นอย่างยิ่งมีนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะเขาชอบปฏิบัติธรรมกันถ้าหากว่าผู้ใดที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ย น, นะยิ่งปฏิบัติธรรมไปมากเท่าไหร่ ก็เอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดดูว่าละกิเลสอะไรบ้างแล้วละคลายอากุศลอะไรออกไปบ้างแล้วถ้าหากว่านึกไม่ออกว่ า, าลดอกุศลอะไรไปบ้างเลยเนี่ยนะอย่างนี้ให้รู้เธอว่านั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนั่นนะราคาก็ไม่ลดลงโทสะก็ไม่ลดลงโมหะก็ไม่ลดลงอันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ไม่ใช่มากแน่นอนสิ่งที่ปฏิบัติอยู่นะห่างไกลาจาก อริยสัตว์เนี่ยห่างมากเลยนะห่างชนิดที่เรียกว่าฟ้าก็เหวโน่นแหละแผ่นดินก็นี้ไปเพราะเหวมันลึกกว่าดินอีกเลยผนะกิจของอริยมรรคก็คือละกิเลสโซดาปฏิมรรคละอะไรสกายกายทิธิวิจิกิชฌาศีลพัต t ปรามมากสกธาคามีมรรคก็ทำราคะโทสะให้เบาบาง อนาคามีมร ก, ก็กำจัดกามราคะกับปฏิฆะโดยเด็ดขาดอรหัตตมรกกำจัดรูปปราฆะนะตัณหารูปปัตนยินความติดข้องในรูปปชาลความติดข้องในอรูปปชาละมานะละอุทะจะละอวิชาโดยเด็ดขาดด้วยอนุภาพแห่งอรหัตตมรกเพราะฉะนั้นอริยมรกทั้ง4ี่มรกนั้นกิจของเขาคือกำจัดกิเลสกำจัดกิเลส ส่วนอาการปรากฏของมรคคือวุฒิฐานะคือการออกออกออกยังไงมรคนี่เรียกว่ามีอาการที่ปรากฏคือออกออกจากอะไรออกยังไงนั่นบอกว่าออกโดยส่วนสองน่ะออกจากสังขารนิมิตอย่างหนึ่งกับออกจากภพนั่นน่ะโซดาปฏิมรคเนี่ยนะออกจาก สังขารนิมิตคือออกจากขันห้ามีนิพานเป็นอารมณ์แล้วออกจากการปฏิสนธิในภพที่แปดเป็นต้นไป น, น, นะนะออกจากปฏิสนธิในภพที่แปเป็นต้นไปออกจากปฏิสนธิในอบายทั้งหมดเลยนะเพราะะนั้นอาการที่ปรากฏของมรรคก็คือการออก <c oughs> พูดถึงวิปัสสนาก่อนนะวิปัสสนานั้นในขณะที่วิปัสสนาหรือญานะทั้งหลายเกิดนั้นยังไม่ได้ออกจากสังขารใช่ไหมโดยอารมณ์นี้ยังไม่ได้ออกจากสังขารอะไรก็ยังมีสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาย่างใดย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาทั้งหลายพอวิปัสสนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อริยมรรตเอ่อเป็นปัจจัยแก่โคตรภูก่อน โคตรภูเนี่ยออกโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โคตรภูนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์แแต่ก่อนหน้านี้มาเนี่ยจะมีเฉพาะสังขารที่โดยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์พอโคตรภูเนี่ยออกได้อย่างหนึ่งเรียกว่าเอกโตุทธะ อันนั้นเอกวุฒานะก็ได้เอกวุฒานะเอกวุฒานออกได้ออกได้อย่างเดียวออกได้ส่วนเดียวพออริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์อริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะออกจากสังขาร น, นิมิตก่อนอันนี้ออกอย่างที่หนึ่ง ออกจากสังขารนิมิตคือมีนิพานเป็นอารมณ์ทีนี้เมื่ออาริยมรรคเกิดอย่างนี้แล้วอันนออกจากเรียกว่าอุปาทิ น, นะกะและออกจากอนุปาทิ น, นะกะเนี่ยไะ อุปาทินนกกะก็เป็นชื่อของอะไรวิบากกับกรรมมชรูปเรียกว่าอุปาทินนกะเห็นไหมอุปาทินนกะเป็นชื่อของวิบากกรรมมชรูปก็คือปฏิสนธิในอบายอะไรปฏิสนธิ ในมนุษย์นะปฏิสนธิในมนุษย์ในภพที่แปดเป็นต้นไปเนี่ยนะอันนี้คืออนุภาพของโสดาปฏิมักรออกจากอุปาทินกะอย่างนี้นะก็วิบาก ก, กรรมมาชรูปไม่ต้องเกิดอีกแล้วในอบายเนี่ยนะเห็นหมดเห็นปลวกเดินเป็นขบวนก็ยิ้มได้เลยว่าฉันพ้นแล้ว ตอนนี้คิดว่าพ้นเฉยๆนาะได้แต่คิดว่าพ้นแล้วไม่เอาไม่เอายอมนงกนว่างกันนะพ้นแล้วได้แต่คิดอันนะจริงๆยังไม่ได้มีอรยิยมรรคมาสำรองเลยว่าพ้นแล้วแต่ได้แต่หวังสักวันหนึ่งนะโอกาสเราบ้างที่จะออกจากปฏิสนธินี่นะเพราะเห็นถ้าโสดาปฏิมรรยังไม่เกิดน ะ, ะสมมตินะถ้าโสดาปฏิมรรคเกิดนะ เห็นคนมีคันอุ้มท้องมานะบอกเออเราเนีไปนอนอยู่อย่างนั้นอีกแค่เจ็ดครั้งแต่ถ้าโสดาปฏิมาศยังไม่เกิดเนี่ยนะโอยนอนในคันอีกกี่ล้านครั้งเนอะอย่างนั้นนี่ออกจากอนุ ป, ปาทิ น, นากานั่นนะน่ อ, อนุ ป, ปาทิ น, นากานี้เป็นชื่อของอากุศลออกจากโลภะทิฏฐิ คตะเนี่ยนะออกจากโลภะทิฏฐิคาตะสัมปยุตสี่ดวงเนี่ยนะออกจากวิจิกิจชา1ดวงนะโลภะทิฏฐิคาตะสัมปยุตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยได้เท่าไหร่ไม่เกิน22ใช่ไหมไม่เกิน22 ก็อัญญสมนาเจตสิกสิบสามโลติกะสามโมจตุกะสถีทุกะสองเท่าไรแล้อ่านะแล้วก็ยีิบสองแต่ว่ามานะนี้ออกได้ไม่หมดนะนะออกได้บางส่วนออกจากมานะได้บางส่วนแต่ว่าไม่ได้ออกจากมานะโดย ทุกอย่างนะนะมาณที่ส่วนโสดาปฏิมัครละก็มีอยู่นะเช่นมาณที่ไม่เป็นจริงะนะจริงๆอ่ะตัวเองต่ํากว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสูงกว่าเขาอันนี้โสดาปฏิมัครละคือมาณเนี่ยมี9้าใช่ไหมมาณเก้าคือสูงเสมอต่ำอ่าสูงนี่ก็แบ่งเป็น3ามอย่างะนะ สูงกว่าสําคัญว่าสูงกว่าคนที่สูงกว่าอีกสูงกว่าแต่สําคัญว่าเสมอกันสูงกว่าแต่สําคัญว่าต่ํากวา่านะเช่นเช่นก็บอกว่ากรรษัตริย์เนี่ยนะเขบอกว่าในบรรดากษัตริย์เนี่ยฉันเป็นสุดยอดของกษัต ร, ริย์อันนี้นะสูงกว่าสําคัญว่าสูงเลิศลอยกว่าเพื่อนในบรรดากษัตริย์เหมือนกันเนี่ยเรามันก็เท่าๆกันนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเสมอในคนที่สูง แล้วก็บอกอุ้ย oui, เรานี่มันสักแต่ว่ากษัตริย์จนเหลือเกินเนี่ยนะกษัตริย์อะไรมันจนเท่าเราไม่มีอีกแล้วมันกลุ่มนี้เขาเรียกว่าสําคัญว่าตัวเองเนี่ยต่ำกว่าเพราะนี่เขาเรียกว่าชั้นสูงเนี่ยสำคัญว่าตัวเองเนี่ยต่ำอย่าลักษณะนี้ก็มีหรือนักบวชทั้งหลายก็เหมือนกันนะในบรรดาคนที่บวชมาด้วยกันเนี่ยชั้นเนี่ยสุดยอดทั้งลาบสการะชั้นเสริญเนี่ยชั้นสูงกว่าเพื่อนเลยแต่ยังไงเขาเรียกว่าสําคัญว่าตัวเองสูงกว่าหรือเขากับพระเราก็พระเท่ากันหมดแล้วนะ อันนี้ก็มานะสูงกว่าแต่สําคัญว่าเสมอแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยมันศัก์แต่ว่าเป็นพระเท่านั้นแหละนะเป็นคณะปูรกะเข้ากันนับให้มันเต็มสิบเต็มร้อยเนี่ยนะศักแต่ว่าเป็นพระจริงๆอันนี้พวกนี้เรียกว่าสําคัญว่าตัวเองเนี่ยต่ําพวกที่กลุ่มเสมอเนี่ยเขาแบ่งตามตระกูลแบ่งตามตระกูลเช่นกลุ่มที่สูงเลยนะทางศาสนาเราถือว่ากษัตริย์กับ นักบวชเนี่ยนะพวกกลุ่มภิกษุนะนักบวชเนี่ยพวกเนี้ยสําคัญนะระดับสูงหรือว่ากลุ่มเสมอพวกนี้ก็ตระกูลกลุ่มอํามาตะทั้งหลายนีนะกลุ่มอํามาตะพวกต่ํากว่าก็พวกกลุ่มทาตกรรมกระต่ากว่าสําคัญว่าสูงกว่าโอ้ในบรรดาทาตชั้นหัวหน้าอันนก็สําคัญว่าตัวเองนี่สูงกว่าทาต ด, ด้วยกันนะสำคัญว่าเออเราก็ธาตุเขาก็ทาตกับอกโอ้ในบรรดาทาตนะเราเนี่ยมันทาต ต่ำต้อยที่สุดเลยในบรรดาท่าทั้งหลาลยนะก็ก็จะมีมานะพระโสดาบันเนี่ยจะละไอที่ไม่เป็นจริงจะละคว่าตามแต่เฉพาะที่ที่เป็นจริงเนี่ยนะมันมาณนะมันก็มีเวอร์อะไรตั้งเยอะแยะเป็นกันนะในโลกของความเยอะยิงเนี่ย